อาหังกรรมามิตมิหิปิเวธรรมวติบังธรรมา ม, มในในใะทังเตด้วยกายกรรมวจีกรรมอนุกรรมที่ท่านทั้งหลายแสดงความเคารพกรรวาสตงพระสงงพระเจ้าทั่วไปหรือเคารพกรรวะจากผู้ทรงคุณวุฒิเดือผู้เกิดในกากาโอุนสูงเช่นชาติวุโตวายะวุโตคุณวุโต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 ท่านทั้งหลายทำการขอเข้ามาโทษท่านเป็นคนดีแน่นอนทางชากินี้หลยชาติหน้าและชาติก่อนท่านก็เป็นคนดีมาแล้วเป็นคนไม่ถือตัวก ร, ราบคารวะต่อผู้หลักผู้ใหญ่ต่อพระสงฆ์องค์เจ้าต่อผู้มีวยญวุตโตคุณวุตโตชาติวุตโตก็มีคนนั้นถูกตรงการกราบไหว้ไม่ใช่ได้ที่คนรับกราบ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 จะชุบจะตีนางสนมพวกตาสีตาส า, าท่านถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่พอโตอขึ้นมาในี่ก็โหดร้ายสาโุนหนักขึ้นพระบิดาจงไปกว่ากไว้กับฤาษีว่าอาจารย์ฤาษีเด็กนี้ดื้อด้านไม่กรอบผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าพเจ้าไม่รู้จะทำยังไงต้องมากว่าท่า น, านอาารฤาษี ก็ไปย่าวันอนุญาตให้ทุกใหตีได้่าไปถือว่าเป็นลูกกษัตริย์พออยู่ไปอยู่มาอยู่กับเพื่อนนักศึกษาด้วยกันวันหนึ่งต้องได้เลือดกันใดคนหนึ่งแน่นอนช็อบบ้างต่อยบ้างเตะบ้างจำทุกอย่างท่านเรือศรีก็พาลูกศิด์ทั้งหลายไปในป่าไปดูไม้ดูนกมี่ต้นไม้ต้นหนึ่งเลือกให้ต้นเดา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 ไม่ชาชั่วแกก็เตะดินลงไปเทีบดินลงไปข่มนักข่มนักะฤทิวากุมารต้นไม้ตนม้ตนนี้เมื่อเล็กมันยังผมขนาดนี้ถ้าต้นมันใหญ่ก็จะผมขนาดใดท่านเองก็เหมือนกันโหดร้ายการุณตั้งแต่เล็กๆพอโตอขึ้นมาท่านจะโหดร้ายมากจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ทําเป็นสุภาพมาสุภาพ เขามากวากเราไว้นี้เราถือว่าสิตคติของเราต้องสอนให้พระกุมาระมาะณาสำเนึกรู้สึกตัวจิบัดนี้พอถูกว่าถ้าอย่างนั้นญาติโยนทั้งหลายเพราะวิสัยคนมีบุญเกิดได้คนระคนถูกนี่จึงจะโหดร้ายถ้าเกิดในถูกทางอาจารย์สอนดีก็จะสำเนึกรู้สึกตัวพระกุมานน้ำตาไหลเสียใจ ที่ฤถษีพูดถูกต้องจังว่าต่อไปนี้พระพเจ้าจะไม่แสดงอากัเริยาอย่างนี้แล้วเพราะข่ารลับอาจารย์พอกลับไปยังบ้านเมืองไปถึงก็กรากพระบิด า, ดามารดากราบผู้ท้าผู้แก่ในวังนั้นก็ว่าลูกของเราเนือสวยดีมาจากฤาษีจังใดคนเราจะดีมาจากฤาษีคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นฤอษีอย่างหนึ่ง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 ยังขออำนวยอวยพรในด้านทุกุกคนทุกสมบูญต์วยกจะทุกวิตกทก่อใจอายุวันนะถูกกระพรา ถ, ถูกกายถูกใจตะอดกาลและนานเดิสาธุสาธุสาธุสาธุสาธุสาธุสุาธสาร